ขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนพระสูตรจากคำพีขุตกานิกายสุตตนิบาตชื่อ อาชิตะมานวกะปัญหาปัญหาของท่านอาชิตะมานกมานกก็คือเด็กหนุ่มที่ยังไม่ได้บวชมาถามปัญหาพระผู้มีพระภาคพอถามเสร็จท่านก็ได้บวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานะครับแต่วันนี้จะมาเรียนปัญหาของท่านที่มาถามพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้ตอบเอาไว้ ชื่อว่าอาชิตะมานวกะปัญหาหรือว่าอาชิตะมานวปัญหาก็ได้แปลว่าปัญหาของท่านอาชิตะมานุปัญหาของเด็กหนุ่มชื่อว่าอาชิตะก็มาถามพระพุทธเจ้านะครับซึ่งถามก็ถามอย่างคนมีความรู้นะพระพุทธเจ้าก็ตอบเราก็ลองฟังดูก็แล้วกัน ทั้งคำถามและคำตอบว่ามีเนื้อความเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องนี้มาจากคำภีคุตการนิกายสุตตนิบาตนะครับคำแปลก็มีให้แล้วอยู่ข้างหลังนั้นนะเป็นคำแปลของฉบับมหาจุฬานะครับแต่เวลาเราเรียนเราก็เรียนตามภาษาบาลีแล้วผมก็จะขยายความบ้างตามสมควรนะครับ เวลาเรียนไปแล้วก็กลับไปอ่านมีคำแปลไว้ให้อยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะมีหน้าเดียวเท่านั้นเองก็คือตั้งแต่บาลีข้อ1039จนกระทั่งถึงบาลีข้อ1046นะครับมีหน้าเดียวก็จะมีคำถามขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นคำตอบนะครับ ข้อที่หนึ่งก็เป็นคำถามข้อที่สองก็เป็นคำตอบก็จะมีวงเล็บเป็นข้อเอาไว้ให้หนึ่งสองสมจนกระทั่งถึง8นะครับมีคำถามมาก่อนแล้วก็ตอบคล้อยตามคำถามนั้นในบาลีข้อหนึ่งมมีบาลีว่าเกนสุนิวโตโลเกแล้วก็มีวงเล็บว่า อิจายสมาอาชิตโตวงเล็บปิดอันนี้ก็หมายถึงว่าจะแสดงให้เห็นว่าคาถานี้เป็นคํากล่าวของเด็กหนุ่มชื่อว่าอาชิตะท่านอาชิตตะมานุท่านอาชิตมานุานาานกล่าวอย่างนี้กล่าวคาถานี้แต่ที่จริงคาถาที่ท่านกล่าวจริงๆนะ น, นะก็กล่าวว่าเกนัสุนิวุโตโลเกเกนัสุนับปกาสติกิจสาพิเลปนังบรูหิ กิงสุตัสสะมหัพพยังก็เป็นรูปคาถาไปนะครับแต่ที่มีวงเล็บเข้ามาขั้นก็เพื่อจะบอกว่าคาถานี้ใครเป็นคนพูดใครเป็นคนกล่าวส่วนบาลีข้อหนึ่งพัสก็จะมีบาลีว่าอาวิชชายานิวุโตโลเกและมีวงเล็บอัจจตาติพักวาววงเล็บปิดคาถานี้ก็เพื่อบอกว่า พระผู้มีพระภาคเป็นคนตรัสเป็นผู้ตรัสแท้ที่จริงคาถานี้ก็จะเป็นคํ า, าว่าอวิชชายะนิวุโตโลเกเววิชชาปมาดานักประกาสติฉัปปาพิเลปนังปรูมิดุขมัสสะมหพยังอย่างนี้นะเวลาท่านท่องเป็นคาถาก็ท่องเป็นคาถาไปเลยนะครับ วันนี้เราก็จะมาเรียนไปมีหน้าเดียวเท่านั้นเอง น, นนะเรียนไม่เยอะนะครับในคำถามบาลีข้อหนึ่งพนสเกนั ส, สุนิวุโตโลเกเกนั์สุนปปกาสติกิสาพิเลปนังปรูสิกิงสุตัสสมหหพพยัง เกนะสุนิวโตโลเกแปลว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อเอาไว้คำว่าโลกโกก็แปลว่าโลกแปลว่าของแตกดับของเกิดดับคือสัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายรวมทั้งสิ่งภายนอกทั้งหลายก็เรียกว่าโลกตัวเรานี้ก็เรียกว่าโลกเหมือนกันกายกับใจเพราะว่ากายกับใจเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงก็เลยเรียกว่าโลกเงินทองลาบยศตาแหน่ง ตึกรามบ้านช่องก็เรียกว่าโลกเหมือนกันเพราะว่าเป็นของเกิดและดับเป็นของเกิดและมีการแ ป, ปรปวนไปเป็นธรรมดาทั้งโลกภายในคือตัวเราเองกายกับใจทั้งภายนอกคือสิ่งของต่างๆจนกระทั่งถึงโลกที่มันเป็นกลมๆอยู่นี้เราก็เรียกว่าโลกเหมือนกันหมดรวมทั้งภพภูมิต่างๆภายนอกทั้งหมดด้วยอวายภูมทั้งสี่มนุษย์เทวดาแล้วก็พรหมโลก ทั้งหมดก็เรียกว่าโลคทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกสิ่งล้วนแต่เกิดดับทั้งนั้นล้วนแต่เป็นของแตกดับความเจริญก็เป็นโลกเพราะว่าความเจริญเกิดและดับความเสื่อมก็เป็นโลกเพราะว่าความเสื่อมเกิดและดับแต่ในความรู้สึกของเราอาจจะรู้สึกว่าโลกมันเจริญขึ้นโลกมันเสื่อมลงแต่โดยความจริงทั้งเสื่อมทั้งเสื่อมลงทั้งเจริญขึ้นนนก็เป็นสิ่งเท่ากัน คือเท่ากันโดยความหมายว่ามันเป็นโลกคือเกิดดับเหมือนเราเป็นสุขคำว่าเป็นสุขนี้แท้ที่จริงก็คือความสุขเกิดดับเวลาเราเป็นทุกข์แท้ที่จริงโดยธรรมชาติของมันก็คือความทุกข์เกิดดับนะเห็นไหมแต่เรานี้สุขอยากจะได้ใช่ไหมทุกข์ไม่อยากจะได้นี่เรียกว่าคนยังไม่เข้าใจโลกถ้าคนเข้าใจโลกความสุขก็เป็นของเกิดดับ ดดความทุกข์ก็เป็นของเกิดดับความเจริญทําไมมันถึงเจริญเพราะความเจริญมันเกิดแล้วมันก็ดับทําไมมันเสื่อมเพราะความเสื่อมมันเกิดแล้วมันก็ดับอย่างนี้เหมือนคนเกิดแล้วก็ได้ตายทําไมมีคนตายเพราเพราะว่ามีคนมาเกิดมีคนได้เกิดมานะครับถ้าไม่มีคนเกิดมันจะตายไหมไม่ตาย ฉะนั้นถ้าความเสื่อมไม่เกิดมันจะเสื่อมไหมไม่มีเสื่อมฉะนั้นความเสื่อมที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะมันเกิดเกิดดับ rare, เหมือนความสุขเหมือนความทุกข์เหมือนทุกอย่างนี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าโลกคนที่เข้าใจอันนี้ทั้งหมดก็เรียกว่าเข้าใจโลกไม่มีอันไหนมันมากหรือว่ายิ่งใหญ่กว่าอันไหนมีแต่ของเกิดดบมีแต่ของเปลี่ยนแปลงฉะนั้นของที่มันดูยิ่งใหญ่กว่ากันสาคัญกว่ากันนี้ เป็นเพียงมโนภาพที่หลอกลาตัวเองเท่านั้นเองส่วนใหญ่เราสร้างมโนภาพขึ้นมาเยอะเกินไปมีคนนั้นสําคัญกว่าคนนี้สําคัญกว่าแต่ที่จริงสําคัญกับไม่สําคัญมันก็เท่ากันนั่นแหละก็คือเป็นของเกิดดับยิ่งใหญ่กับเล็กๆมันก็เท่ากันคําว่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่เกิดแล้วก็ดับเล็กๆก็เล็กๆเกิดแล้วก็ดับเท่ากันแหละนะแต่เราคงได้อยากจะยิ่งใหญ่อย่างเดียวนะ ไม่อยากได้เล็กๆเท่าไหร่พวกนี้ยังไม่เข้าใจโลกนะเหมือนอยากได้สุขอย่างเดียวไม่อยากได้ทุกข์ก็บอกโอ้สุขมันดับไปแล้วกลายเป็นทุกข์ไปแล้วอะไาอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่สุขมันของเกิดดับทุกข์มันก็ของเกิดดับเนี่ยนะฉะนั้นสุขบ้างทุกข์บ้างนั้นดีนะจะได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงของที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงนี่เขาเรียกว่าโลก นะครับทีนี้อาชิตตมานพถามพระพุทธเจ้าว่าเกนั์สุนิวโตโลเกโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้นิวโตแปลว่าหุ้มห่อเอาไว้ตัวโลกตัวของเกิดดับตัวของเปลี่ยนแปลงตัวของไม่คงทนเนี่ยอะไรหุ้มห่อมันไว้เกนั์สุแปลว่าอันอะไรหนอนิวโตโหุ้มห่อเอาไว้ โลกอันอะไรหนอหุ้มห่อเอาไว้โลกทั้งกายทั้งใจเราเองก็เรียกว่าโลกเป็นของเกิดดับทั้งสิ่งภายนอกก็เป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงทั้งภพภูมิต่างๆอบายภูมิมนุษยภูมิเทวภูมิพรหมภูมิก็เรียกว่าโลกเหมือนกันเป็นของเกิดดับเหมือนกันอะไรหุ้มหอ่อสิ่งเหล่านี้เอาไว้อะไรทําให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปวนไปวนมาอยู่ในโลกต่างๆ ถูกอะไรหุ้มห่อเอาไว้นี่คำถามที่หนึ่งนะเกนัต ส, สุนิวโตโลเกโลกอันอะไรหุ้มห่อเอาไว้คำถามที่สองถามว่าเกนัต ส, สุนับปกาสติโลกไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเพราะอะไรตัวโลกนี้มันเป็นของเกิดดับมันก็บอกตัวมันเองอยู่ บอกอย่างตรงไปตรงมาทีเดียวนะบุคคลทั่วไปก็ดีแม้แต่กายแต่ใจเราเองก็ดีมันก็บอกอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมมันไม่ปรากฏไม่ปรากฏกับเราเหมือนเรามองไม่เห็นเราเป็นคนหลับตาอยู่หรือเปล่าหรือว่ายัางไงกายนี้มันมีสิ่งไหนมันเที่ยงบ้างมีสิ่งไหนมันคงทนบ้างมันก็ประกาศตัวมันเองอยู่ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับมันตะโกนบอกเราอยู่ น, นี่ ฉันนี่อ น, นิจจงนะฉันนี่ทุกครั้งนะฉันนี่อนัตตานะกายมันก็ตะโกนบอกอยู่นะกินข้าวเข้าไปสิเดี๋ยวสักหน่อยฉันก็หิวใหม่อยู่มันไม่มีอันไหนที่ยังหลอกนั่งไปนานๆสิสักหน่อยฉันจะปวดหลังให้ดูมันจะบอกนะแต่ว่าโลกอันนี้นะของเกิดดับอันนี้มันไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเพราะอะไรทั้งๆที่มันบอกอยู่เต็มๆอยู่แล้ว จิตใจเรานี้มันเคยนิ่งอยู่ไหมไม่มีนิ่งๆอะ่ะเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดีส่วนใหญ่จะคิดไม่ดีคิดไม่ได้ดังใจซะมากกว่าอยากจะสุขมันก็ไม่ค่อยสุขไม่อยากทุกข์มันก็เป็นทุกข์แต่ทําไมความจริงของมันจึงไม่ปรากฏจึงไม่แจ่มแจ้งกับเรามันเพราะอะไรนะคําถามที่หนึ่งเกนัสสุนิวุโตโลเกโล ก, กอันอะไรหุ้มห่อเอาไว้ คำถามที่สองเกนสุนัปกาสติโลกไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเพราะอะไรคำถามที่สากิสาพิเลปนังปรูสิพระองค์กล่าวอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้อะไรที่ฉาบทาโลกเอาไว้ทำให้เรามองทะลุเข้าไปไม่ได้ฉาบทามีแตพ่พอกไปเรื่อยๆพอกไปเรื่อย อะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้คำถามที่สี่กิงสุตสะมหัพยังอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นอะไรคือสิ่งน่ากลัวที่สุดของโลกนั้นในโลกนี้มีอะไรน่ากลัวที่สุดอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกภัยก็คือสิ่งที่มันน่ากลัวอย่างของเราภัยที่น่ากลัวในโลกก็อาจจะเป็น โลกร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมทุกวันนี้ก็จะมีแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะก็ว่ากันไปนี่อชิตามานพนะครับถามปัญหาแรกขึ้นมาก็เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งมากเหลือเกินนะเกนัสสุนิวุโตโลเกโลกอันอะไราหนอหุ้มห่อไว้เกนัสสุนับปกาสติ โลกไม่ปรากฏอย่างแจ่มแจ้งเพราะอะไรกิศสาพิเลปนังปุรุสิพระองค์ตรัสอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้กิงสุตัดสัมหพยังอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นเป็นมหันตภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของโลกนั้นท่านว่าอะไรที่น่ากลัวที่สุดในโลก บางคนอาจจะบอกว่าตายความตายอันอื่นยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าใกลกลัวตายก็อย่างน้อยก็จะได้ไม่กลัวอันอื่นคนด่าบ้างคนตีหัวบ้างอะไรบ้างไม่ตายใช่ไหมไม่น่ากลัวเลยสบายมากที่สุดแล้วก็ตายอย่างนี้นะอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้หรือว่าอาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะตอบในบาลีข้อหนึ่งี่สบ ตอบก็ตอบตามคำถามของอาชิตตมานพนั่นเองตอบไปทีละข้อทีละข้ออาชิตตมานพถามว่าเกนสุนิวโตโลเกโลกอันอะไรหุ um ้มห่อเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอวิชยะนิวโตโลเกโลกอันอวิชชาหุ um ้มห่อเอาไว้อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในที่นี้ก็หมายถึงไม่รู้เฉพาะ เรื่องที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกเวลาท่านแยกแย่ลงไปก็จะมีอวิชชาสี่ก็มีอวิชชา8ก็มีนะครับก็คือไม่รู้อริยสัจนั่นเองไม่รู้ทุกไม่รู้ทุกขะสมุทัยไม่รู้ทุกขะนิโรธะไม่รู้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอันนี้ก็เรียกว่าอวิชชาไม่รู้ขันในอดีตไม่รู้ว่าแท้ที่จริงในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีตัวตนเป็นเพียงแต่ขัน ในอดีตที่เกิดดับไปไม่รู้ขันอนาคตไม่รู้ว่าแท้ที่จริงในอนาคตก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรหรอกเป็นแต่ขันที่มันเกิดขึ้นเป็นปากลดการแล้วก็ดับไปไม่รู้ทั้งขันอดีต ท, ทั้งขันอนาคตแล้วก็ไม่รู้จากกระบวนการอิทับปัจญยตาปฏิจจสมุปบาทอันนี้เรียกว่าอาวิชชาแปดไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกขะสมุทยัยไม่รู้ทุกขะนิโรธ ไม่รู้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาไม่รู้ขันอดีตไม่รู้ขันอนาคตไม่รู้ทั้งขันในอดีตทั้งขันในอนาคตแล้วก็ไม่รู้อิทัพปัจจะตาปฏิจจะสมุปบาทไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าอาวิชชาโลกนี้ถูกอวิชชานี้หุ้มห่อเอาไว้ อวิชชายะนิวโตโลเกนะครับอวิชชานี้เป็นความไม่รู้แบบเฉพาะนะไม่รู้แบบไม่รู้อริยสัจส่วนความไม่รู้อันอื่นๆยังไม่เรียกอวิชชาไม่รู้ว่าถนนสุขุมวิทย์มันไปที่ไหนเป็นไปทางไหนอันนี้ยังไม่ใช่อวิชชาคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้ชื่อเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อวิชชาฉะนั้นอวิชชานี้ไม่ได้เกิดตลอด นานๆเกิดทีแต่บางคนก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เกิดอยู่เลยก็เหมือนความโกรธอะไรพวกนี้นะเหมือนความโลภเหมือนความอิจฉามันก็เกิดเป็นค่อนคั ง, คงอวิชชาก็เกิดเป็นคลังคลังเหมือนกันอวิชชาก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเหมือนกันน ะ, นะเวลาพูดเป็นบุคคลกับพูดเป็นการเกิดขึ้นของสภาวะมันก็แตกต่างกันเวลาเราพูดเป็นบุคคล โอ้ทุกคนก็มีอวิชชาเหมือนกันอันนี้พูดแบบบุคคลเหมือนเราพูดว่าเออทุกคนก็มีความโกรธเหมือนๆกันนี่แหละยังละความโกรธไม่ได้แต่ว่าความโกรธเกิดกับเราตลอดไหมไม่ได้โกรธตลอดแต่เรานี้ยังละความโกรธไม่ได้ก็ถือว่าเออยังมีความโกรธอยู่แต่ก็ไม่ได้โกรธตลอดเหมือนเราทั้งหลายก็เหมือนกันถามว่ายังมีอวิชชาอยู่ไหมมีแต่อวิชชาก็ไม่ได้เกิดตลอดอย่างนี้ นเราต้องเข้าใจประเด็นของการพูดถึงสภาวะกับการพูดถึงในแง่มุมของคำภาษาของชาวโลกที่ใช้เพื่อความเข้าใจอวิชาก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรนะก็เกิดเพราะเหตุเกิดเป็นครั้งๆเหมือนกันในการใดที่เราไม่รู้ทุกนั่นแหละเป็นอวิชชาเราเห็นคนแล้วไม่รู้ว่าเอ้ันี่มันเป็นตัวทุกนะเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกว่าอู้เป็นคนจริงๆเป็นนายนั่นนายนี่ รู้สึกจริงจังไปอันนี้ก็เป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้ไม่รู้ทุกเวลาเกิดการมองเห็นและได้ยินแล้วไปหลงยินดีหลงชอบอยากได้เพิ่มหรือว่าอยากผลักไสมันทิ้งเราไม่รู้ว่าเอออันนี้มันคือทุกขะสมุทัยนะเนี่ยการไม่รู้อย่างนี้ก็เป็นอวิชชาไม่รู้ทุกขะสมุทยัย อยากได้ความสุขอยากจะมีความสงบแต่หาโน่นหานี่อยู่เรื่อยวนไปวนมาไม่รู้จักหยุดสักทีอันนี้ก็เป็นความไม่รู้เรียกว่าไม่รู้จักทุกข์นิโรธะไม่รู้จักการหมดไปแห่งทุกข์แท้ที่จริงแล้วการจะหมดไปแห่งทุกข์ได้ไม่ใช่ไปวนตามตัณหาแต่การแต่เป็นการรู้ทุกตามที่มันเป็นจริงแล้วไม่ทําตามตัณหาหการที่เราอยากได้ความสงบอยากได้ความสุขแล้วไปวิ่งวนหา อันนี้ก็เป็นอวิชชานมันเพิเปิดเกิดเป็นครั้งครั้งนะเกิดเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเองอวิชชาก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเกิดเป็นครั้งครั้งเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันแต่ในเมื่อเรายัางละอวิชชาไม่ได้มันมีเหตุมันก็เกิดมาอยู่เรื่อยๆ เ, เราเห็นทางตาเดี๋ยวแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละขาดสติสัมปชัญญะไปหลงไปอุย้ยเป็นคนจริงๆเป็นหญิงเป็นชายจริงจังขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ทุก แค้จริงที่เราเห็นเป็นอะไรเป็นทุกข์ที่มันเกิดเขาเรียกเป็นรูปเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ต่างตารูปก็เป็นส่วนหนึ่งของกองทุกข์ที่มันเป็นไปแม้แต่ตัวเราที่เห็นก็เป็นทุกข์ด้วยคือเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าจากตัวตนเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นเอเมนไหเมื่อใดที่เราขาดสติขาดสัมปชัญญะแล้วก็หลงไปเป็นจริงเป็นจังกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง าอารมณ์ทางตาก็ดีทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและเรื่องที่เราคิดทางใจคิดว่ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอันนั้นคือเอาวิชาไม่รู้อยู่แปดอย่างไม่รู้ทุกไม่รู้ทุกขะสมุทยัยไม่รู้ทุกขะนิโรธไม่รู้ทุกขะนิโรธคามิหนีปฏิปทาไม่รู้ขันอดีตไม่รู้ขันอนาคตไม่รู้ทั้งขันอดีตทั้งขันอนาคตและไม่รู้ อีทับปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแต่เมื่อใดเรามีสติสัมปชัญญะไม่ขาดสติไม่ขาดสัมปชัญญะอันนี้ก็ไม่มีอวิชชาเกิดขึ้นนะก็กลายเป็นกุศลเกิดขึ้นแทนเป็นปัญญาเป็นวิชาแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เป็นสติเป็นสัมปชัญญะเหมือนที่เราเรียนมานะนะอวิชชานี่ยเขาเกิดกับอกุศลเวลาจิตเป็นกุศลก็ไม่มีอวิชชา แต่ถามว่าถอนเอาวิชาได้หรื อ, อยังยังยังถอนไม่ได้เหมือนกับเราพูดเรื่องความโกรธเรายัางถอนความโกรธไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้โกรธอยู่ตลอดเรายัางถอนความโลภยังไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่โลภตลอดนะนานๆโลภทีบางคนไม่นานเท่าไหร่แป๊บเดียวโลภอยู่ด้วยโลภน้นโลภนี้ไปทั่วนะอยากเกนอยากได้ยินอยากดมกลิน่นอยากรู้รสอยากคิดดีดๆอะไรพวกนี้เป็นลักษณะจิตที่มันโลภ อยากได้ไม่รู้จักพอมันก็จะเกิดการกระทำไม่หยุดไม่รู้จักอยู่นิ่งๆไม่รู้จักวิเวกวิเวกแปลว่าอยู่นิ่งๆทำเป็นไหมลองไปทำดูนะเอาแค่กายยวิเวกก่อนก็ได้เป็นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรโทรศัพท์ก็ไม่ต้องโทรทีวีก็ไม่ต้องดูพูดคุยก็ไม่ต้องพูดลองดูก็ได้นะถ้าอยู่นิ่งๆเป็นก็ใช้ได้นะพระพุทธเจ้าสรรเสริญเหมือนกันนะ แย่งกายวิวเวกบางคนไม่ได้คุยสักชังหงหนึ่งใจจะขาดแหละไม่ได้คุยกับคนอื่นก็ขอให้ได้คุยกับนังสือพิมพก็ยังดีใช่ไไปอ่านหน่อยว่าเขามีความเห็นว่ายังไงถ้ามีข่าวเรื่องโน้นเรื่องนี้มาก็ขอให้ได้รู้กับเขาหน่อยจริงไม่จริงหรือไม่ก็ไม่รู้แหละ น, น, นั้นพวกอยู่นิ่งๆไม่เป็นพวกอยู่นิ่งๆไม่เป็นก็อวิชชานั่นแหละ นะครับฉะนั้นอวิชชาไม่ได้เกิดตลอดนะเกิดตอนที่มีความไม่รู้แปดอย่างนี้โผล่ขึ้นมานั่นแหละท่านไปลองสังเกตดูซึ่งก็จะมีเยอะอยู่แล้วนะในชีวิตเราอันนี้โลกนะครับถูกอวิชชานั้นหุ้มห่ อ, อไว้นี้พระพุทธเจ้าตรัสตอบอาชิตตานบนะอาชิตตานบถามว่าเกนัตสุนิวโตโลเกโลกอันอะไรหนอหุ้มห่ อ, อไว้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาวิชญานิวุโตโลเกโลกอันอวิชชาหุ้มห่อเอาไว้ความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ความจริงนี้หุ้มห่อเอาไว้ทําให้สัตว์ทั้งหลายวนไปวนมาไม่สิ้นสุดที่พระองค์ตรัสว่าเพราะความไม่รู้อริยสัจนั่นแหละเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยววนเวียนไปในสังสารวัฏไม่สิ้นสุดแต่พอได้รู้อริยสัจแล้ว ก็ไม่ต้องเกิดวนเวียนอีกต่อไปอย่างนี้นะครับต่อไปคำถามที่สองที่อชิตตมานพถามว่าเกนัส์สุนับปากาสติโลกไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเพราะอะไรทำไมโลกนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ความจริงมันก็เต็มตาอยู่แล้วทำไมมันไม่ปรากฏกับเราสักทีเวลาผมพูดก็ดูเหมือนจริงเหลือเกินนะก็โอ้ใช่ใช่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆด้วย แต่เอาเข้าจริงแล้วตัวเองเนี่ยโอ้โหหายเงียบตลอดนะธรรมะหายเข้า ก, กลิดเมฆไปนะเวลาฟังก็โอ้เกือบบรรลุแล้วพอออกจากห้องไปหายหมดเงียบกริบเลยธรรมะไม่มีเลยกระทบอารมณ์อะไรธรรมะไม่มีโผล่ขึ้นมาเลยหายเงียบเงียบกริบทั้งๆ ท, งที่สิ่งที่แสดงความจริงอยู่ต่อหน้าก็เป็นธรรมะนั่นแหละมีสิ่งไหนมันเพี่ยงบ้าง ก็ไม่เห็นมีมีสิ่งไหนมันคงทนอยู่ได้นานบ้างก็ไม่เห็นจะมีมีสิ่งไหนมันบังคับบัญชาเอาตามใจอยากได้บ้างก็ไม่เห็นจะมีแต่ทําไมมันไม่ปรากฏทําไมมันไม่แจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าตราตัสตอบว่าเววิชชาปมาดานัปปกาสติโลกไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเพราะความหวงแหนเววิชชาแปลว่าความหวงแหน ความตรนีความมัจฉริยะความเห็นแก่ตัวความยึดเอาไว้ฝ่ายตนเองความหวงแหนประมาดาแล้วก็ความประมาทหลงลืมไปในโลกมันไม่ปรากฏอย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาเพราะเววิชชาคือความตรนี่หวงแหนเราคิดว่าสิ่งในโลกเนี่ยบางสิ่งเป็นของเรากายกับใจนี้เป็นของเราเราก็หวงแหนมัน เป็นตัวเราเป็นของเราห่วงแหนกายกับใจห่วงแหนกระทั่งความคิดห่วงแหนกระทั่งทัศนคติอุดมคติแล้วก็พอกายกับใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราสิ่งกระดื่นก็เลยปลอยเป็นของเราไปด้วยห่วงแหนกระทั่งความรู้ห่วงแหนกระทั่งองคุณธรรมต่างๆหรือว่าห่วงแหนองความรู้ต่างๆทาให้แต่ละคนไม่เปิดเผยความจริงกันนะครับ หวงแหนกันมากนะบางคนแม้แต่เรียนศาสนาก็ยังห่วงแหนความรู้ด้านพวกนี้อีกต้องเป็นฝ่ายเรานะเขาถึงจะบอกคนอื่นฝ่ายอื่นมาเอาไปไม่ได้เขาว่าอย่างนี้นะห่วงแหนกันไปทั้งๆที่ความรู้ทุกๆอย่างในโลกนะมันก็เป็นของกลางก็เป็นองค์ความรู้ทุกคนเกิดมาในโลกก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ทั้งนั้นแหละนะเราเกิดมาในโลกเรามีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ได้ทุกเรื่องนั่นแหละ ไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องทัศนคติเรื่องอุดมคติเรื่องาศาสนาเรื่องเชื้อชาติมาแบ่งแยกอันไหนดีไม่ดีเราก็เรียนรู้ได้ทั้งหมดนั่นแหละอันไหนดีดีได้ขนาดไหนอันไหนไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรเราก็สามารถเอามาศึกษาเอามาเรียนรู้ได้แต่ว่าเราทั้งหลายนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับความจริงกันเขาไม่เปิดเผยความจริงเพราะว่าเขาห่วงแหนนะอย่างประวัติศาสตร์เขาก็เขียนหลอกๆเรามาอย่างนั้นอ่ะ ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยเขาก็มีประวัติศาสตร์ชาติไทยไปลบพมา่าอย่างเี้นะลบอย่างโนโต้ตลบอย่างนี้ถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์พม่าเขาก็เขียนอีกอย่างหนึ่งนะอย่างเนี้ยเพราะว่าเขาหวงแหนฝ่ายตนเองเอาไว้ฉะนั้นคนรุ่นหลังๆ ห, หมดสิทธิ์ที่จะได้รู้ความจริงหมดสิทธิ์ที่จะได้เอามาปรับปรุงมีแต่ให้เรารักฝ่ายตัวเองรักพวกฟองตัวเองหวงแหนฝ่ายตัวเองยิ่งขึ้นไปหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างเนี้ย แท้ที่จริงอง ค, ความรู้ทุกชุกชนิดในโลกนะเราควรจะได้รับรู้อย่างเป็นจริงแล้วก็ควรจะมีการเปิดเผยแต่เราหวงแหนนะครับฉะนั้นโลกที่มันไมันไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเราไม่รู้ความจริงในโลกก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างหวงแหนเราทั้งหลายมีความลับเยอะแยะเลยใช่ไหมมีสิ่งปกปิดเอาไว้ปกปิดตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งตายตายไปแล้วยังรู้สึกว่า หวั่นใจอยู่ว่าเดี๋ยวเราตายเนี่ยเขาจะมาแฉเราหรือเปล่าวะนี่ยตอนเราเป็นเป็ น, นี่ยังพอสบายใจอยู่ว่าถ้าเขาแฉเราเราจะได้ให้เหตุผลคืนไปอย่างนี้นะนี่มันกลัวมันหวงแหนหเห็นไ ม, แม่แม้กระทั่งตัวเองเกียรติยศชื่อเสียงสิ่งที่เราพูดให้คนอื่นเขารู้ก็พูดแค่สิ่งที่จะทำให้ตัวเองได้รับประโยชน์เท่านั้นเอง ท, ทุกที่เขาก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าพวกการเมือง นักการเมืองเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้พูดแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้รับประโยชน์นะครับเนี่ยมันเป็นความหวงแหนเป็นความตระหนี่เพราะหลงคิดว่ากายกับใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราสิ่งอื่นๆก็พลอยเป็นของเราไปด้วยเราก็เลยต้องหวงแหนรักษาพยายามให้มันดูดีพยายามให้มันไม่ถูกทำลายมันทนไม่ได้ที่คนอื่นจะมาได้ดีกว่า ทนไม่ได้ที่คนอื่นจะได้เยอะกว่าได้ความรู้กว่าทนไม่ได้ที่คนอื่นจะได้รับชื่อเสียงเวลาคนอื่นเขาชมกันอะไรกันเรารู้สึกเป็นไงยินดีกับเขาไหมยากมากที่จะยินดีกับเขามันก็ยังหวงแหนนี่แค่คำชมคนอื่นนะก็ยังไม่กล้าแม้แต่จะชมมันหวงทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะเราก็ยังหวงเรื่อ ง, องน้นเรื่องนี้ไปทั่วนี่นะครับ ที่โลกมันไม่ปรากฏก็เพราะว่าจิตใจของเรามันคับแคบมันคิดว่านี่กายกับใจนี้เป็นตัวเราอันนี้มันก็แคบแล้วก็เหมือนมุด ต, ตัวเองอยู่ในถ้ำมุดอยู่ในถ้ำแล้วมันจะมีแสงสว่างไหมไม่มีแต่เมื่อใดเราออกมาจากถ้ำจิตใจเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกประสบการณ์แม้แต่สิ่งที่เราไม่เคยคิดไม่เคยเห็น ไม่เคยได้มองดูแล้วก็มามองดูเนี่ยยิ่งจิตใจเราเนี่ยอะไรบ้างที่เราไม่เคยมองดูอะไรบ้างที่เราหลบหลบหลบตาตัวเองอยู่เรามามองดูลงไปก็เหมือนกับภายนอกนั่แหละอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็ไปค้นคว้าไปสังเกตไปดูเราก็จะได้ความรู้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆมาแต่อันนั้นมันยังเป็นภายนอกยังเป็นความรู้ชนิดไม่สิ้นสุดแต่ด้านจิตใจเราเองก็เหมือนกันอะไรที่เราปกปิดตัวเองเอาไว้อะไรที่หลบหน้าตัวเองเอาไว้ อะไรที่ฉาบทาให้หน้าตาตัวเองดูดีเอาไว้เราก็มองลงไปตัวเองเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนขี้กลัวเป็นคนอะไรต่างๆเนี่ยที่เราหลบหน้าตัวเองเอาไว้เราก็มองดูสังเกตดูลงไปอย่างนี้นะแบบนี้ก็จะค่อยๆเลิกหวงแหนหน้าตาเลิกหวงแหนทัศนคติอุดมคติที่เราเกอดเอาไว้หรือว่าหมกเอาไว้ ไม่มองทำเป็นไม่มองเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคือว่าฝ่ายไม่ดีของตนเองนั้นทำเป็นไม่มองไม่อยากจะได้ส่วนฝ่ายดีนี้ทำเป็นให้มันโผล่ขึ้นมาคิดว่าดีแล้วอย่างโน้นอย่างนี้ก็จะเหมือนกับภายนอกที่เราแสดงเห็นไหยเราแสดงกับคนอื่นยังไงก็คือเราก็แสดงกับตัวเองอย่างนั้นนั่นแหละเวลาเราพูดกับคนอื่นเราอยากจะด่ามันแทบตายแล้วไอ้นี่แต่เราก็พูดดี ถึงเราไม่ชอบเขาเราก็ทํำท่าเป็นยิ้มกับเขาเพราะหน้าตาเพราะอะไรต่างๆเห็นไหมเราหลงลืมหรือว่าผลักสฝ่ายไม่ดีของเรากลบมันเอาไว้นอนอยู่ข้างล่างส่วนฝ่ายดีหรือว่าฝ่ายที่จะทําให้คนเขาชื่นชมเป็นที่ยอมรับของสังคมเราก็เอามันขึ้นมาทํามันขึ้นมาแต่ที่เรากลบกรบมันเอาไว้ไม่มองมันมันหายไหมไม่หายมันก็ยังอยู่ของมันนั่นแหละมันก็รอเวลาโผล่ขึ้นมา ฉนันเราต้องไปคอยสังเกตให้เห็นนะครับ น, ะ น, นี้โลกมันไม่ปรากฏเพราะความหวงแหนเพราะความตระหนี่เริ่มจากภายนอกแล้วก็การที่เราหวงแหนภายในด้วยด้านจิตใจตนเองนะครับฉะนั้นถ้ายังหวงแหนยังรักษาหน้าตนเองเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราดูดีอะไรอยู่นะอันนี้เราก็จะไม่เห็นความจริงของโลก โลกก็จะไม่ปรากฏเพราะว่าแม้แต่ตัวเองเราก็ยังหลอกตนเองหลบหน้าตนเองหลบไปหลบมาอยู่นั่นแหละตัวเองคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเวลาคิดไม่ดีก็หลบหน้าตนเองหลบไปต้องคิดดีเข้าไว้เคาว่าอย่างนี้นะไม่ยอมรับตัวเองก็มีอย่างนี้อันนี้ก็ขนาดตัวเองยังไม่ปรากฏกับตัวเองเลยนะสิ่งอื่นๆภายนอกก็คงจะเป็นเรื่องเกินความจริงไปแล้วนะครับ ฉันอย่าไปหวงแหนอันใดอันหนึ่งเอาไว้มากนะครับให้เห็นมันตามที่เป็นจริงว่าแท้ที่จริงนี่นะมันเป็นโลกเป็นของเกิดดับนะสิ่งต่างๆล้วนแต่เกิดและดับที่มันไม่หายก็เพราะว่าเราไปผลักสมันเราไปปฏิเสธมันเราปฏิเสธความตายมาตลอดใช่ั้ยเลิกตายหรือยังไม่เลิกตายสที ถ้ายังปฏิเสธความตายต่อไปอีกไม่มองหน้ามันตามที่มันเป็นจริงว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องธรรมดานะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วบอกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเรามีความตายเป็นเรื่องธรรมดาท่านรู้สึกว่ามันธรรมดามเออถ้ายังไม่ธรรมดาก็จะต้องตายไปเรื่อยๆนะอ้าวพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วเนี่ยนะมรณะธรมมัง มีความตายเป็นเรื่องธรรมดามีความแก่เป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดานี่ก็เป็นธรรมดาก็คือธรรมดาจริงๆนั่นแหละตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนอะไรเป็นปกติของมันอย่างนั้นถ้าเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะต้องวนเวียนไปเรื่อยๆการปฏิเสธการไม่ได้มองมันนี้มันไม่ใช่หายมันยังอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นมันว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ทั้งฝ่ายไม่ดีของเราทั้งหลายที่ไปปฏิเสธมันเอาไว้ไม่อยากได้มันนะแต่ที่จริงมันก็เป็นเพียงโลกเป็นของเกิดดับฝ่ายดีก็เป็นเพียงโลกเป็นของเกิดดับเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละมันถึงจะหายนะครับนี่เห็นไหมพระองค์ตรัสว่าโลกย่อมไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเพราะว่าเววิชชาเพราะความตรนีความหวงแหนนะถ้าเป็นตรนีแบบ ดูภาย น, อ, นอกๆหน่อยก็จะเป็นลักษณะที่เราทนไม่ได้ทนไม่ได้เวลาที่คนอื่นเขาจะมาเอาของเราไปถ้าอย่างพวกอาวาสัมมัชยริยะตรณีที่อยู่ตรณีสถานที่คนอื่นมาใช้สถานที่ก็จะทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาจะมาเอาไปเขาจะมาใช้สอยร่วมกับเราเขาจะมายึดที่ของเราอะไรก็ว่าไป อันนี้ตรณีสถานที่ตรณีลาบตรณีวันนะตรณีธรรมะตรณีตระกูลอะไรพวกนี้นะ <c oughs> ก็เป็นลักษณะจิตที่มันทนไม่ได้ทนไม่ไหว <c oughs> เมื่อเห็นคนอื่นได้รับความชมเยอะกว่าทนไหวไหมคนอื่นดีมากกว่าทนไหวไหมถ้าทนไม่ไหวก็เป็นลักษณะจิตที่มันตรณี จริงๆไม่เห็นต้องทนอะไรเลยใช่เขาดีก็บอกว่าเขาดีก็จบแล้วมันจะยากอะไรง่ายนิดเดียวนะแต่เรารู้สึกส่วนใหญ่จะทนไม่ค่อยไหวนะครับอาการที่มันทนไม่ได้เมื่อคนอื่นเขามีอย่างนั้นมีอย่างนี้ได้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกตรณีห่วงแหนนะครับเป็นลักษณะของเววิชชาซึ่งเววิชชานี่มีเยอะนะเป็นอาการห่วงแหนเป็นอาการรักษาเอาไว้ไม่ให้มันแตกไม่ให้มันทาลาย ต้องให้มันดูดีอยู่ตลอดอะไรอย่างเนี้ยเหมือนเรารักษาหน้าตัวเองรักษาทรัพสมบัติรักษาฝ่ายเราเองให้มันดูดีเหตุผลต่างๆที่เราให้คำพูดต่างๆที่เราพูดก็เพื่อรักษาผลประโยชน์รักษาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกววิชาความจริงจะไม่ปรากฏถ้าเรายังทำอย่างนี้อยู่ และอันที่สองที่เป็นเหตุให้โลกไม่ปรากฏแจ่มแจ้งก็เพราะความประมาทความมัวเมาความหลงลืมไปมัวเมาไปความประมาทมัวเมาก็มีหลากหลายนะประมาทมัวเมาในวัยเราเกิดมาแล้วเนี่ยต้องแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมตอนนี้เรายังหนุ่มอยู่ไม่นึกถึงความแก่อันนี้ก็ประมาทในวัยถ้ามีเงินทองอยู่มีเงินก็คู่กับไม่มีได้มาก็คู่กับเสียไป ถ้าเราได้มาแล้วมีเงินแล้วเราประมาทไปว่าโอ้ตอนนี้เรามีเงินไม่นึกถึงตอนมันไม่มีไม่นึกถึงการใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนมันมีอันนี้ก็ประมาทประมาทในเงินทองประมาทในการเจ็บป่วยหรือเปล่าตอนนี้ไม่เจ็บป่วยคิดหรือเปล่าว่าต่อไปจะเจ็บป่วยตอนไม่เจ็บป่วยต้องรีบฝึกฝนตนเองต้องทาอะไรในสิ่งที่ควรทาต้องรีบทาเคยนึกบ้างเปล่าถ้าไม่นึกก็ประมาท ในความไม่เจ็บป่วยประมาทได้ทุกเรื่องนั่นแหละเอาทุกเรื่องมาประมาทได้หมดตอนนี้สงบอยู่สักหน่อยจะฟุ้งซ่านรู้ไหมอา่าไม่ไม่รู้อะสงบอยู่ก็ขอสงบต่อไปก็แล้วกันไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ยอมรับความจริงไม่เห็นว่าความสงบเป็นเรื่องธรรมดาไม่รู้สึกอะขอสงบนานๆไว้ก่อนก็แล้วกันอย่างนี้ประมาทเห็นไหได้ทุกเรื่องอะมีความสุขมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะงนั้นที่โลกมันไม่ปรากฏอย่างแจ่มแจ้งเพ้าว่าก็เพราะว่าเววิชชาคือความตรณีห่วงแหนปกปักรักษาฝ่ายตนเองฝ่ายตัวเราฝ่ายของเราอย่างหนึ่งกับความประมาทมัวเมาไปหลงไปกับสิ่งต่างๆไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนั้นมันเป็นโลกเข้าใจโรคไหมถ้าความสงบมันมีขึ้นแสดงว่าความสงบมันเกิด สักหน่อยมันดับใช่ไหมความฟุ้งซ่านมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่ถ้าเราไปประมาทมัวเมาไปโลกมันก็จะไม่ปรากฏนะครับนี่นะอาชิตตมานพทูลถามว่าเกณั์สุนับปกาสติโลกไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเพราะอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเววิชฌาปมาดานับปกาสติ โลกไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเพราะเววิชชาคือความตรณีหวงแหนและประมาดาคือความประมาทมัวเมาลุ่มหลงไปต่อไปคำถามที่สเขาถามว่ากิจสาพิเลปนังปรุสิพระองค์ตรัสอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชับปาพิเลปนังปรูมิ เรากล่าวตันหาว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกฉับป่าแปลว่าตันหาแปลว่าความติดข้องอย่างใยความยึดอภิเลปนังก็แปลว่าฉาบทาตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้ความอยากได้ความต้องการเวลาเราอยากได้เราอยากได้ของดีๆ ฉะนั้นเวลาอยากได้ของดีๆมันก็ไปผลักใสของไม่ดีด้วยเนี่ยอาการพวกนี้เป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้ทำให้โลกนั้นมันมืดสนิทยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งอยากยิ่งต้องการมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดสนิทมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฉะนั้นท่านทั้งหลายลองสังเกตดูนะท่านอยากมาหลายครั้งแล้วอยากแล้วก็ได้มาหามาแทบลม้มแทบตายมาหลายครั้งแล้ว เราก็อยากใหม่ไปเรื่อยๆเราก็ได้ใหม่อีกแล้วก็อยากใหม่อีกเราก็ได้อันใหม่อีกอยากใหม่อีกแล้วก็ได้อันใหม่อีกอยากใหม่อีกแล้วก็ได้อันให ม, ม่อีกนะอย่างเนี้ยฉะนั้นพวกที่อยากมากๆนี้ควรจะไม่ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลี่ยนนะเหมือนสมมุติบางคนก็ like อยากมีภรรยาอย่างเนี้ยคนยแบบนี้ก็อย่าไปมีภรรยาเลยจะได้อยากอันเดียวนะ ถ้าอยากจะมีภรรยาแล้วได้สมอยากสักหน่อยอยากเลิกกับภรรยาอยากจะมีอีกอะไรก็ว่ากันไปมันไม่สิ้นสุดสักทีนะครับนะโดยส่วนใหญ่เราอยากแล้วเราก็พยายามขวนขวายแล้วมันก็ได้มาจริงๆรซะด้วยนะมันบังคับได้มาจริงจริงซะด้วยแต่มันไม่จริงตลอดนะมันจริงแป๊บเดียวไอ้จริงแป๊บเดียวนี่อันตรายถ้าเรารู้ไม่ทันมันว่ามันเป็นของเกิดดับเราบังคับได้บังคับได้แป๊บเดียวเราก็หลงไปเลย หลงไปเลยว่าโอ้มันบังคับได้มันดีจริงๆแต่มันดีจริงๆนั่นแหละแต่มันดีแป๊บเดียวไอ้ดีแป๊บเดียวนี่อันตรายที่สุดนะครับมันหลอกเราได้มากนะคนทั้งหลายเขาเป็นกันอย่างนี้นะไอ้ดีแป๊บเดียวนะทำให้เราค่ําครวญเมื่อมันสูญสลายไปทําให้เราอยากได้ถ้ามันยังไม่มีไอ้แป๊บเดียวนั่นแหละนะของโลดลมแ้งๆนั่นแหละนี่ตัวตันหาน่ะเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้ โลกมันก็เยอะไปเรื่อยๆเยอะไปเรื่อยๆแหะอยากได้อันนี้ก็ได้มาก็อยากได้อันใหม่ไปเรื่อยๆอยากได้อันใหม่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นท่านอยากได้อะไรมาเยอะนะถ้าอยากก็ก็อยากไปเรื่อยๆแหละอยเพิ่งได้มาเดี๋ยวได้มามันจะอยากอันใหม่นะเปลี่ยนไปเรื่อๆนั่นแหละท่านไปลองดูก็แล้วกันนะครับ นี่นะชัปปาพิเลปนังพ ร, รมิเรากล่าวว่าตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกดุขมัตสะมหับพยังต่อไปก็คำตอบข้อที่สี่คำถามก็ถามว่ากิงสุตัสสัมหับพยังอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นอะไรเป็นมหันตภัยของโลกนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดุขมัตสะมหับพยังทุก เป็นมหันตภัยของโลกนั้นกองทุกนั้นเป็นภัยใหญ่คือการเกิดขึ้นของกองทุกนั้นเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นกองทุกคือกายกับใจอุปาทานะขันต์ทั้งห้าเนี่ยคือกองทุกเนี่ยนี่คือมหันตภัยแล้วภัยอื่นที่มันมีได้เพราะอะไรเพราะมีมหันตภัยนี้มาก่อนนะที่เราได้มาเห็นเหตุการณ์บ้านเมือง โอ้มันรุนแรงแล้วเกินมาเห็นภัยธรรมชาตินี้เพราะอะไรเพราะมีตัวเรามาก่อนถ้าไม่มีตัวเราจะมาเห็นอ น, นั้นไหมไม่เห็นฉะนั้นอะไรเป็นมหันตภยัยก็ตัวเราเองนี่แหละกายกับใจเราเองทุกอุปาทานอาคารทั้งห้านี่แหละเป็นมหันตภัยของโลกนั้นในบรรดาสิ่งเกิดดับสิ่งเปลี่ยนแปลงนี่นะกายกับใจนี่แหละคือมหันตภยัย ถ้าไม่มีกายกับใจจะไม่มีอันอื่นเลยเราคงหาอันอื่นเนาะเป็นมหันตภัยลืมด้วยว่าแท้ที่จริงภัยทั้งหลายนั้นมันเกิดขึ้นเพราะมีที่ตั้งที่ตั้งคืออุปาทานขันตังห้าขันตังห้าอันเป็นที่ตั้งของอุปาทานของความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์จะเกิดไหมบางทวนบอกว่าใจเป็นทุกข์มากถ้าไม่มีใจซะเลย ทุกจะมาตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้ที่ทุกเกิดขึ้นที่ใจเราได้ก็เพราะว่ามีใจอันเป็นที่ตั้งของทุกนะที่เป็นโรคตาเพราะอะไรมีตาอันเป็นที่ตั้งของโรคถ้าไม่มีตาจะเป็นโรคตาไหมเอ อ, เอชักมีปัญหานะ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วหนีไม่รอดแนละ้ฉะนั้นต้องพรหมจรร ย, ย์อย่างเดียวอริยสัจอย่างเดียว นี่ะนีไม่รอดหรอกนะครับอันถ้ามองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนะท่านมองไปไหนไม่รอดท่านจะต้องมองมาที่การประพฤติพรหมจรรย์การฝึกฝนให้เกิดศิกขาให้เกิดอริยมรรคเท่านั้นนะมองไปที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะมองไปที่ไหนก็เจอแต่ปัญหาหมดเพราะว่าที่ตั้งของปัญหานั้นยังอยู่นะมีกาย กายก็เป็นที่ตั้งของความปวดปวดร่างกายบางท่านบอกว่าโอ้ยความเจ็บความปวดนี้เป็นภัยใหญ่เหลือเกินถ้าไม่มีกายอันเป็นที่ตั้งของความปวดนี้จะปวดไหมไม่ปวดนะฉะนั้นตัวทุกข์เนี่ยตัวกายกับใจตัวที่มันว่างเปล่าจากตัวตนนี้เป็นมหันตภัยของโลกนั้นในบรรดาสิ่งเกิดดับสิ่งเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยในบรรดาสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยทุกข์เนี่ย คือกายกับใจเราเองเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของโลกนะครับนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะที่มันเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่มันดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนะนี่ก็เป็นคำตอบที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบท่านอาชิตตมานกก็เป็นคำถามวงกว้างคำถามแบบครอบโลกครอบจักรวาลไปเลย นะครับคำถามที่หนึ่งถามว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้คำตอบคือโลกอันอวิชชาหุ้มห่อเอาไว้คำถามที่สองโลกย่อมไม่ปรากฏเพราะอะไรคำตอบโลกย่อมไม่ปรากฏเพราะความตรนีหวงแหนเพราะความประมาทมัวเมาอันที่สามพระองค์ ตรัสอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกนั้นคำตอบเรากล่าวว่าตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้คาถามข้อที่สี่อะไรเป็นมหันตภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดของโลกนั้นคำตอบทุกขคือกายกับใจนี่แหละเป็นมหันตภัยของโลกนั้นนะครับ น, นี่นะก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องกว้างๆแล้วก็เป็นคำตอบที่พระผู้มีพระภาคได้ตอบไปนะครับเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะเข้าใจโลกทั้งหมดทั้งปวงโดยไม่ต้องไปหาความรู้นั่นความรู้นี่ให้ยุ่งยากนะครับเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จะเข้าใจทุกคนนั่นแหละรวมทั้งตัวเราด้วย สัตว์โลกทั้งหลายก็ไปอย่างนี้นั่นแหละทีนี้ต่อไปอาชิตตามานพก็ได้ถามต่อไปในบาลีข้อหนึ่งเอดเขาถามว่าสวันติสัมปติโสตาโสตานังกิงนิวารนังโสตานังสังวรังบรูหิเกณะโสตาปิทะเร นี่เป็นคำถามนะสวัตติสัพติโสตากระแสตันหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทุกๆชนิดโสตาก็แปลว่ากระแสกระแสเหมือนกระแสน้ำที่เชี่ยวกลากไหลไปเรื่อยแต่ทางโลกนี้เป็นกระแสตันหาที่มันฉาบทาโลกเอาไว้สวัตติแปลว่าไหลไปสัพติคือในอารมณ์ทุกๆชนิดในอารมณ์ทุกอย่าง ในอารมณ์ทางตาเราเห็นรูปทางตาแล้วไหลไปไหมโอ้คนนั้นดีคนนี้ไม่ดีสวยไม่สวยหน้าพอใจไม่น่าพอใจสูงต่ำดําขาวไหลไปกับเขาเรื่อยหยุดไม่อยู่หยุดไม่เป็นเห็นรูปทางตาก็ไหลไปทางตาได้ฟังเสียงทางหูเป็นไงบ้างโอ้โหไหลไปเรื่อยฟังเพลงเพลาะเพลงเดียวท่านั้นแหละรู้ถึงชาติกำเนิดคนร้องเพลง เลยแทนที่จะฟังเคราะๆอย่างเดียวไม่ฟังะโอ้คนนี้คนคนนั้นร้อง ช, อชื่อนโน้นชื่อนี่มันออกอาราบัมโน้นอาราบัมนี้มันเกิดประเทศโน้นประเทศนี้โอ้รู้ไปหมดรู้ไปหมดเลยไหลไปกระแสไหลไปในทุกๆอารมณ์แค่ได้ยินเสียงตอนนั้นเองนะแค่ดมกลิ่นก็รู้ว่าเป็นดอกอะไรเป็นกลิ่นของอะไรมาจากจังหวัดอะไรไหลไปเรื่อยได้รู้รส ได้กระทบสัมผัสได้คิดได้นึกมันก็ไหลไปเรื่อยนะเพียงท่านพูดขึ้นมาคำใดคำหนึ่งขึ้นมาในใจมันจับคำนั้นขึ้นมาไหลต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวยาวไปเรื่อยนี่นะโสตาคือกระแสย่อมไหลไปในอารมณ์ทุกๆชนิดโสตานังกิงนิวารนังอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้น อะไรที่จะเป็นเครื่องกั้นได้เราเห็นรูปทางตาเราก็หลงไปคิดเรื่องนุง้นเรื่องนี้ในสิ่งที่เรามองเห็นเราได้ฟังได้ฟังเสียงทางหูมีหูไว้ฟังเสียงก็หลงไปกับเสียงที่เราได้ยินเราดมกลิ่นรู้รสกระทบสัมผัสทางกายคิดนึกรู้สึกสิ่งต่างๆทางใจก็ไหลหลงไปกับสิ่งที่รับรู้สึกนั้นน่ะอะไรล่ะเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น อะไรที่จะเป็นเครื่องกั้นได้บ้างนี่เขาก็ถามนะโสตานังกิงนิวาระนังอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นโสตานังสังวรังบรูหิขอพระองค์จงตรัสบอกสิ่งที่เป็นเครื่องปิดกั้นกระแสเหล่านั้นสังวรังก็คือเครื่องปิดกั้นสังวรสังวระเครื่องปิดเครื่องกั้นไม่ให้กระแสมันไหลไป เป็นเครื่องตัดกระแสเป็นเครื่องกันกระแสเกนะโสตาปิทิยเรแล้วก็กระแสทั้งหลายเหล่านั้นย่อมถอนขึ้นมาได้หรือว่าย่อมทำลายมันได้ด้วยอะไรนี่ก็ถามอยู่สองเรื่องด้วยกันก็คืออันที่หนึ่งก็คืออะไรเป็นเครื่องกันกระแส อะไรเป็นเครื่องปิดกั้น <c oughs> เครื่องสังวรไม่ให้กระแสมันไหลไปอีกอันหนึ่งก็คือกระแสทั้งหลายเหล่านั้นน่ะจะถอนหรือว่าจะทำลายมันได้ด้วยอะไรนะครับอันหนึ่งคือปิดกั้นป้องกันมันอันหนึ่งถามวิธีป้องกันว่าจะป้องกันไม่ให้กระแสมันไหลเข้ามาเนี่ยไม่ให้มันไหลออกไปนี้ได้ยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองคือจะทาลายกระแสนั้นถอนกระแสนั้นขึ้นไปทำยังไง นะครับนี่นะท่านอาชิตามานพถามนะครับสวัตติสัมปติโสตาโสตานังกิ่งนิวาระนังโสตานังสังวรังบรูหิตเกณะโสตาปิทิเยเรกระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทุกๆชนิดในอารมณ์ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นขอพระองค์จงตรัสบอก สิ่งที่เป็นเครื่องกั้นกระแสะทั้งหลายและกระแสะทั้งหลายถอดถอนขึ้นได้ด้วยอะไรจะทำลายกระแสะได้ด้วยอะไรอันหนึ่งถามเรื่องการปิดกั้นอันหนึ่งถามเรื่องการถอดถอนการทำลายอันหนึ่งถามถอถามเรื่องการต่อสู้ถ้าอุปมาเหมือนนักมวยอย่างนี้ก็ได้อุปมาเหมือนชกมวยชกมวยเราก็เหมือนมีคู่ต่อสู้ใช่ไหมแต่ก่อนเรา โดนต่อยตลอดทํายังไงจะสู้เขาได้บ้างจะหยุดเขาได้บ้างหยุดหมัดเขาหยุดพายุหยุดลูกเตะหยุดอะไรเขาได้บ้างนีอันนี้จะหยุดเขาเป็นสมมุติเราเป็นฝ่ายแดงทางโลกก็เป็นฝ่ายน้ําเงินกระแสะต่างฝ่ายน้ําเงินทําไงจะสู้กับเขาได้บ้างทําไงจะหยุดเขาได้นี่ทำไงจะเก่งจะมีกําลังสามารถหยุดเขาได้แต่ก็ยังต้องสู้อยู่ใช่ไหมอันหนึ่ง อีกอันนึงเนี่ยทำไงจะรื้อเวทีไปเลยไม่ต้องมาสู้อีกอ่าเราส่วนใหญ่นี่เวลาพูดถึงก็พูดถึงโอมีตัวเราไปสู้กับกิเลสอันนี้ก็ยังขั้นตอนที่หนึ่งอยู่แต่โดยความจริงนี่เขาต้องการแบบรื้อเวทีเลยไม่ต้องมาสู้กันอีกคำถามก็มีสองขั้นขั้นที่หนึ่งคือการปิดกั้นกระแสอีกอันหนึ่งคือการทาลายกระแสถอนกระแสไปเลยนะอย่างเนี้ย นะครับนี่นะคำถามก็จะมีอยู่สองประเด็นหลักๆต่อไปคำตอบพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบบาลีข้อหนึ่งสสองยานิโสตานิโลกัสหมิงกระแสทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกสติเตสังนิวารณัง สติเป็นเครื่องกั้นกระแส R, ทั้งหลายเหล่านั้นนะตัวสตินี่เป็นเครื่องกั้นกระแส R. โสตานังสังวรังบรูมิเราตถาคตกล่าวว่าสตินั่นแหละเป็นสังวรเป็นเครื่องปิดกั้นกระแส R ทั้งหลายนะถ้าท่านอยากปิดกั้นกระแส R นะต้องมีสติสติเป็นเครื่องปิดกั้นกระแส R. ปัญญาเยเตปิทีเรกระแส R, ทั้งหลายเหล่านั้น ถอดถอนได้ด้วยปัญญานะครับนะนะเครื่องกั้นก็คือสติเครื่องถอดถอนเครื่องทำลายมันก็คือปัญญากระแสทั้งหลายในโลกนะมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าอยากจะมีเครื่องกัน้นสตินั่นแหละเป็นเครื่องกัน้นหน้าที่ของเราให้มีสติอย่าหลงลืมอย่าหลงลืมกายอย่าหลงลืมใจ สติแปลว่าการระลึกได้ที่กายที่ใจระลึกว่ากายเป็นอย่างนี้กายมันหายใจเข้ากายมันหายใจออกเดินยืนนั่งนอนนะคนอื่นด่าเราแค่เรารู้ว่าลมหายใจมันเข้าหรือออกอย่างนี้ก็กั้นได้แล้วกั้นคือเราไม่ไปต่อยคนอื่นนี่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมคนอื่นมันดา่าก็ด่าไปสิเราก็รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่า กำลังพอใจกำลังไม่พอใจนี่เรียกว่าสติสติมันก็เป็นเครื่องกั้นทำให้เราไม่ไหลไปตามโลกไม่ไหลไปตามเสียงคนอื่นไม่ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆนะครับสติเป็นเครื่องกัน้ฉนฉันให้ฝึกให้มีสติเยอะๆนะสติแปลว่าความะระลึกได้ะระลึกได้ก็คือไม่หลงลืมไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจ ไม่หลงลืมก็หมายถึงว่ารู้ว่ามันเป็นยังไงนั่นเองรู้ว่ากายมันนั่งอยู่มันยืนอยู่มันนอนอยู่มันเหยียดมันคูมันหายใจเข้ามันหายใจออกมันเดินไปเดินมามันก้าวเท้าซ้ายมันก้าวเท้าขวาอันนี้เรียกว่ามีสติคือไม่ลืมกายแล้วก็จิตใจเป็นยังไงบ้างความรู้สึกรู้สึกทางกายเป็นยังไงบ้าง เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจสบายใจไม่สบายใจเครียดใจวิตกกังวลมีความสุขมีความทุกข์อิจฉาตาร้อนเขาหรือว่าด่าคนนั้นด่าคนโน้นมีความโกรธมีความไม่พอใจก็รู้ไม่หลงลืมจิตใจตนเองอันนี้เรียกว่ามีสติสติอันนี้จะเป็นเครื่องกั้นกระแสนะครับ ที่เราหลงลืมไปแล้วก็ไปตามกระแสเน่ะเห็นไหมก็คือความประมาทมัวเมาไปตามโลกไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองวันๆเรารู้ไหมกายกับใจตัวเราเองรู้กี่ครั้งนะวันๆได้ไม่กี่ครั้งะนะส่วนใหญ่จะหายไปเลยหายใจเข้าหายใจออกนี่วันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนึกได้บ้างไหมนึกไม่ค่อยได้บางคน นึกได้เฉพาะตอนตั้งใจนึกตอนนั้นเองตอนไม่ตั้งใจนึกก็หายไปเลยเราเดินไปเดินมากี่ก้าววันหนึ่งอะ่ะ mm hmm. เคยนึกได้เปล่าว่ากำลังก้าวเท้าอยู่หายไปเลยนั่งกี่ครั้งแล้วกระดุกกระดิกี่ครั้งแล้วสมมติเรามานั่งห้องเนี้ยกระดุกกระดิกี่ครั้งแล้วกี่เที่ยวพงกหน้าไปกี่เที่ยวแล้วอา่านีก็ตอนฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องก็ผงกหน้าอยู่เลย แต่พงกไปกี่เที่ยวแล้วนึกไม่ได้นึกไม่ออกมันหลงไปหมดเนี่ยเห็นไมมันไหลไปตามกระแสหมดเราก็รู้เรื่องรู้ราวไปเรียนธรรมะโอ้เข้าใจเหลือเกินแล้วอะไรก็ว่าไปหรือว่าไม่รู้เรื่องเหลือเกินแล้วอันนี้ก็หลงไปหมดนะฉะนั้นอยากจะมีเครื่องกั้ น, นต้องมีสติไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจนึกถึงกายนึกถึงใจตัวเองเอาไว้ ตอนแรกก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามหรือว่าการเตือนตนเองเอาไว้บ่อยๆถามตนเองบ่อยๆว่าตอนนี้กายมันเป็นยังไงตอนนี้ใจเป็นยังไงเมื่อมีสติบ่อยๆเข้าก็จะเป็นเครื่องกั้นกระแสต่างๆได้แต่ตอนแรกๆอาจจะสติน้อยไปหน่อยหรือว่าสติจริงๆยังไม่เกิดขึ้นมันก็กั้นไม่ค่อยได้นะครับฉะนั้นต้องฝึกให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นนะ การฝึกให้มีสติก็ใช้หลักของสติปัฏฐานก็คือการตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมตามดูมันดูมันทำเตือนตอนเองให้ได้บ่อยๆ่อยตอนแรกต้องอาศัยเตือนตอนเองเอาเพราะว่าปกติเราชอบหลงลืมไม่ใช่มาทำอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเตือนตัวเองบ่อยบจนเป็นปกติแล้วต่อไปก็ไม่ต้องเตือนมันก็ระลึกได้เองนึกได้เอง เคลื่อนไหวเหยียดคู่เดินไปเดินมามันก็นึกได้เองนึกได้บ่อยพูดไปทำอะไรไปพอจิตใจมีอาการยังไงเข้ามันก็นึกได้เองโอ้นี่เราพอใจนี่เราไม่พอใจมันก็นึกได้เองเห็นเองอย่างนี้เรียก ว, ว่ามีสติสติก็จะกั้นกระแสดได้เราหลงหลงไปกำลังเพลิดเพลินกับเรื่องที่พูดไปกำลังเมามันไปพอมันระลึกได้มันก็ตัดกระแสไปอย่างนี้นะ เป็นเครื่องกั้นกระแสทําให้เราไม่หลงลืมไปมากทําให้เราไม่หลงเป็นจริงเป็นจังไม่หลงเป็นทุกไปกับเรื่องโนต้ตเรื่องนี้เพราะว่าแท้ที่จริงนี้ตัวเรานั่นเองกายกับใจนั้นมันเป็นมหันต ภ, ภัยที่สุดอหะอั น, นอื่นอืนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราไปหลงว่าอุ้ยอันอื่นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเหลือประมาณแล้วอันนี้เรียกว่าหลงโดยส่วนใหญ่เราจะมีเรื่องสําคัญเยอะใช่ไหมบางคนเรื่องทํางานสําคัญมากจนลืมกินข้าวก็มี กินข้าวก็กินลวกๆเร็วๆ เ, า, เารีบไปทำงานรีบไปประชุมเขาว่าอย่างไีนะเาก็ทําไปเรื่อยเห็นนั่นอื่นสำคัญกว่ากายกับใจอยู่เลย อ, อันนี้เรียกว่าพวกขาดสตินะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคือการรู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจอย่าลืมมันนะเพราะว่าที่มีสิ่งอื่นๆต่างๆขึ้นมาได้ก็เพราะมีกายมีใจนั่นแหละ ต้นต่อของมันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีกายไม่มีใจจะมีอันอื่นไหมไม่มีแต่เราไปหลงลืมต้นต่อซะแล้วไม่รู้จักต้นต่อฉะนั้นอย่า ก, กั้นกระแสนะก็อย่าหลงลืมต้นตอนี้อย่าหลงลืมกายอย่าหลงลืมใจนะครับไม่ยากนะวิธีนะ่ะไม่ยากแค่ไม่ลืมมันก็ใช้ได้แล้วแต่ให้ไปทำนะ่ะ ทำยากเพราะว่าหลงลืมจนชินแล้วแล้วก็อยากจะลืมต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าสนุกมันก็เป็นซะอย่างนี้ตลอดนะนะครับถ้ายังหลงลืมอย่างนั้นอยู่อีกก็ไปทุก์ให้พอนะไปเคลีย์ให้พอแล้วก็จะรู้นะนี่นะครับที่เขาถามว่าโสตานังกิงนิวารนังอะไรเป็นเครื่องกั้น กระแสทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าสติเตสังนิวาระนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นโสตานังสังวรังบรูมิเราตถาคตกล่าวว่าตัวสตินั่นแหละเป็นตัวสังวรเป็นตัวปิดกั้นกระแสทั้งหลายนะครับนะตัวสังวระตัวปิดกั้นนี่นะก็คือสติเราต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเยอะ ให้มีความรู้ตัวในการทำการพูดการคิดรู้ว่ากายกำลังทำอย่างนี้ใจกำลังมีอาการอย่างนี้รู้บ่อยๆเมื่อมีสติเยอะขึ้นนะสติก็จะคอยรักษาจิตสติเป็นใหญ่หรือว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานทำให้ไม่หลงลืมเรียกว่าสตินสี่อย่างนี้เป็นต้น ขอฝึกให้เยอะๆก็แล้วกันนะก็จะได้สังวรมีศีลสังวรอินทรีย์สังวรเป็นต้นสตินี้เป็นเครื่องกั้นไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็ตัวมันไม่โตตัวมไม่โตเราก็ไม่ทําผิดใช่ไหมพอกิเลสมันตัวโตมันก็ครอบงาจิตใจเกิดความชอบเกิดไม่ชอบไปทําทางกายพูดทางวาจาอันนั้นก็ผิดศีลเสียศีลไปแต่ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะรู้ทันมัน มันก็ไม่หลงไปตามมันมันก็มีเครื่องกัน้นกิเลสเกิดขึ้นเราก็รู้ความโลภความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นเราก็รู้มันเห็นมันพอรู้มันเห็นมันแล้วมันก็ไม่หลงไปไม่ถูกมันครอบงำต้องเห็นมันมันจึงไม่ถูกครอบงาต้องรู้ว่ามีอันตรายจึงจะไม่อันตรายนะโดยส่วนใหญ่เราไม่ชอบรู้ว่ามีอันตรายใช่ไ ทำทำทำท่าเป็นหลบไปโอ้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีแต่กุศลผมแต่กุศลเขาว่าอย่างนี้อันนี้พวกไม่รู้จักอันตรายเอาแต่สิ่งที่ไม่อันตรายมาพูดแต่โดยความจริงแล้วคนที่จะหมดอันตรายเพราะว่าเขารู้ว่ามีอันตรายอยู่นะท่านไม่เยไม่เดินเหยียบหนามเพราะอะไรท่านรู้ว่ามันมีหนามใช่ไหม ไม่ถูกงูกัดเพราะอะไรพราะรู้ว่ามันมีงูอยู่ตรงนั้นงูตัวนั้นมันมีพิษอย่างนี้ต้องรู้มันนะครับการรับรู้ถึงอันตรายก็คือการทําให้ตัวเองปลอดภัยแต่เราโดยส่วนใหญ่ไม่ชอบอย่างนั้นชอบหลบหน้าตนเองสิ่งไหนไม่ดีคิดไม่ดีโอ้ไม่น่าคิดเลยเขาว่าอย่างนี้นะเขานึกว่าตัวเองดีเหลือประมาณแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวสักหน่อยมันจะโผล่ขึ้นมาใหม่ แท้ที่จริงเราคิดไม่ดีเราก็รับรู้มันว่าโอ้ยนี่อันตรายนะความคิดอย่างเนี้ยเนี่ยถ้าเรายังถอนมันขึ้นไม่ได้ขาดสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่ที่เราคิดคิดอย่างนี้มันจะออกมาเป็นคําพูดออกมาเป็นการกระทําเราก็เพียรฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ถอดถอนความเห็นผิดถอดถอ น, ถอนความยึดมั่นถือมั่นออกไปความคิดชนิดนั้นๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกเราลองไปนั่ง้เงียบดูก็ได้นะความคิดอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาบ้างอันนั้นแหละ เมื่อใดที่เราขาดสติขาดสัมปชัญญะมันก็สามารถไปทำได้ไปพูดได้เราเห็นมันไหมนะต้องเห็นมันเราจึงจะปลอดภัยไม่เห็นมันปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยนะฉะนั้นคนไหนที่ยังไม่ได้ถ อ, ถอนกิเลสขึ้นมาเลยสักตัวหนึ่งแต่ไม่มีกิเลสอันนี้อันตรายที่สุดเลยนะอันตรายแล้วตัวเองไม่รู้ด้วยนะบางคนเขานึกว่าดีอันนี้อันตรายมากนะครับ ฉะนั้นบางพวกที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นพวกเงียบๆคึมๆนี่ยพวกนี้จึงอันตรายเราลองไปส ก, กิดเขาดูหน่อยก็ได้จะรู้อันตรายที่เกิดขึ้นนะฉะนันต้องเป็นคนที่มองเห็นอันตรายนะจึงจะไม่อันตรายก็เหมือนกับอุปมาภายนอกที่ผมพูดไปแล้วนี่แหละเราไม่เดินเหยียบตะปูก็เพราะว่าเห็นตะปูไม่ถูกงูกัดก็เพราะว่าเห็นงูอย่างงี้นะไม่ใช่ไม่เห็นงูแล้วจะไม่ถูกงูกัดนะ ไม่ใช่ว่าไม่เห็นตะปูแล้วจะไม่เหยียบตะปูที่เราเหยียบตะปูเพราะเไม่เห็นตะปูนั่นแหละที่เราถูกกิเลสครอบงําแล้วก็ไปทําไม่ดีก็เพราะว่าไม่เห็นกิเลสนั่นแหละไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสนั่นแหละไม่ระวังนั่นแหละอย่างนี้นะดังนั้นเราทั้งหลายก็ลองไปอยู่เงียบๆนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั่งสังเกตจิตใจตนเองดูแลจะเห็นความคิดดีบ้างไม่ดีบ้างโผล่ขึ้นมามากมายลนะเกินส่วนใหญ่จะไม่ดี เราก็จะได้เห็นว่าเออไอความคิดไม่ดีนี่ยังมีอยู่เยอะนะเนี่ยถ้าขาดสติสัมปชัญญะได้เชื้อได้อาหารเมื่อไรมันก็จะออกมาเป็นคำพูดออกมาเป็นการกระทำได้ทีเดียวถึงเราจะสำรวมระวังได้ทั้งชาตินี้ตลอดชาติมันก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่ดีชาติต่อไปมันก็จะโผล่มาได้มันเดิมอย่างนี้นะครับฉะนั้นสตินะเป็นเครื่องกั้นกระแส อย่าไปเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องกัน้นอย่าไปเอาความสงบอย่าไปเอาการปฏิเสธผลักใสอย่ามาทําอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ได้ผลนะครับพระพุทธเจ้าท่านนึงสอนเรื่องสติเรื่องศีลสังวรอินทรีย์สังว ร, งวรให้สังวรด้านศีลสังวรด้านกายด้านวาจาสังวรก็หมายความว่าเขาเห็นว่ามีกิเลสเขาจึงต้องสังวรจึงต้องมีสติถ้าไม่มีกิเลสจะต้องสังวรไหมไม่ต้อง เพราะว่าไม่มีกิเลสจะไปด่าใครไม่ด่าการมีศนะีลนี่เขาว cam, people, enfin ัดกันตอนมีกิเลสนะไม่ใช่วัดกันตอนไม่มีกิเลสตอนไม่มีกิเลสใครก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละนะบางคนโอ้ไม่มีกิเลสดีเหลือเกินมันใครก็ดีทั้งนั้นแหละตอนไม่มีกิเลสเขาวัดการจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาวัดกันตอนมีกิเลสนะว่าใครมีศีลหรือไม่มีศีล สมมติเรา2คนนี้โดนด่าเหมือนกันเตะเลยโกรธเหมือนกันด้วยคนหนึ่งด่าตอบแล้วไปต่อยเขาอีกคนหนึ่งไม่ด่าตอบโกรธเหมือนกันแต่เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่เห็นก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ไปถึงกับต่อยเขาหลบไปก่อนสองคนที่ต่างกันคืออะไรคนหนึ่งขาดศีลไปแล้วอีกคนหนึ่งไม่ขาดไม่ขาดสติเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาจึงเรียกว่าศีลสังวรไย ถ้าไปนั่งสงบนิ่งคอหักอยู่มันจะต้องไปสังวรไหมไม่ต้องไม่ต้องสังวรอะไรไม่มีคนด่าจะต้องสังวรไหมมีแต่คนทำให้ถูกใจจะต้องสังวรไหมไม่ต้องสังวรอะไรเพราะว่ามีแต่คนทำให้ถูกใจเราจะไปโกรธเขาไหมไม่โกรธนะฉะนั้นบางคนเขาไม่โกรธเขาเป็นคนดีนี่เราต้องระวังด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเราทาดีอยู่ทาให้เขาถูกใจอยู่ <S <S เขาเลยดี <S 2> <S 2> พูดกับเราดีตลอด งั้นเราลองใหม่สิเราเคยรับใช้เขาพูดกับเขาดีๆต่อไปเราไม่ทำดูสิพูดกับเขาไม่ค่อยดีดูสิอ่าถ้าเขามีศีล็าก็ต้องสังวรได้ถ้าเขาไม่มีศีลเป็นยังไงระเบิดลงนะทีนี้นี้มันต้องพิสูจน์เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าศีลเนะี่ยรู้ได้โดยการอยู่ด้วยกันนานๆอยู่ด้วยกันนานๆมันจะเห็นไส้เห็นภูมิกันหมดแหละมันทนทำดีไม่ได้นานหรอกคนเรานะ ที่เราทำดีโดยปกติเราทาดีเฉพาะกับคนที่ไม่รู้จักกันเฉยๆกับคนแปลกหน้าส่วนคนที่รู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วเราก็จะทำธรรมดาธรรมดาอยู่ด้วยกันนานๆพระพุทธเจ้าท่านยังบอกนะศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ด้วยกันนานๆไม่ใช่แค่เดินฉาดกันไปฉาดกันมาพูดกันสองครั้งสาครั้งไม่ใช่นี่เราต้องเอาอย่างนี้ฉะนั้นสตินะเป็นเครื่องกัน นะอยากจะรู้ว่าตนเองปฏิบัติธรรมแล้วมีสติมีสัมปชัญญะมีศีลเจริญก้าวหน้าบ้างหรือเปล่าก็นั่นแหละไปฝึกฝนสังวรดูนะสถานการณ์ยังเหมือนเดิมนั่นแหละคนด่าเหมือนเดิมเราก็โกรธเหมือนเดิมด้วยแต่ไม่ด่าตอบไม่ด่าคืนแล้วก็ปล่อยวางได้ให้อาภาัยได้ไม่หลงไปยึดว่าคนนั้นด่าเราจริงๆ ก็เป็นเพียงเสียงที่เกิดขึ้นเราไม่พอใจเสียงเสียงดับไปความไม่พอใจดับไปเห็นไหมนี่ก็กลายเป็นคนมีศีลคนมีศีลรู้จักละพยาบาทไม่ผูกพยาบาทจองเวนอะไรกับใครอย่างนี้เนี่ยศีลกวัดกันอย่างนี้นะเขาจึงเรียกศีลสังวรนะครับไม่ใช่ไปสังวรตอนไม่มีคนด่านะไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ได้ไปกระทบอารมณ์กับใคร อยู่แ <Jub> ต <ilee> an ่กับพวกเราเนี่ยนะพวกนั้นมันไม่ดีเราไม่อยู่ด้วยอยู่แต่กับพวกเราพวกนี้จะต้องสังวรอะไรไหมอยู่กับพวกตัวเองไม่ต้องสังวรอะไรเพราะกลุ่มเดียวกันใครไม่เข้ากลุ่มก็หนีไปใครเข้ากลุ่มก็มาอย่างนี้ก็ไม่ต้องสังวรอะไรการจะสังวรมันต้องไปอยู่กลุ่มที่ไม่เหมือนกันความเห็นมันไม่เหมือนกันเราจึงจะรู้ว่าไอเราสังวรได้หรือเปล่าอันนี้เห็นไม่เหมือนกับเราคุยกันไปด่าเขาหรือเปล่าไปตบเขาหรือเปล่าไปตีเขาหรือเปล่า ไปทำร้ายปัทุสร้ายเขาหรือเปล่าอย่างนี้มันถึงจะฝึกขันติความอดทนหรือว่าฝึกมีสังวรสำรวมระวังถ้ามาโมกอยู่กับตัวเองกลุ่มตัวเองมันจะต้องสังวรสำรวมระวังอะไรจะต้องฝึกความอดทนไปทำไมไม่ต้องฝึกเลยเพราะว่าคนอื่นมาเราก็ทนไม่ได้แล้วไม่เห็นด้วยกับเราใช่ไหมยปไปไ ป, ไ, ปไม่ใช่พวกเราอย่างนี้มันอดทนไม่ท่านว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีความอดทนอะไร นะฉะนั้นคนไม่เห็นด้วยเยอะๆนี่ดีนะนเราจะได้ฝึกมีความอดทนมีความสำรวมระวังนะอย่างนี้จะได้เห็นว่าโอ้ศีลมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือการงดเว้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกจริงๆคือการงดเว้นการกระทําที่ไม่ดีทางกายการงดเว้นจากคําพูด งดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเป็นศีลจริงๆที่ท่านบอกเอาไว้จริงๆเป็นการงดเว้นเท่านั้นเองแต่เดิมกิเลสค้อบงำเราทำไปเลยตามกระแสต่อมากิเลสเกิดขึ้นอีกเรารู้มันเห็นมันรู้ว่ามันเป็นโทษก็งดเว้นก็เกิดศีลเนี่ยอย่างเนี้ยนะไม่ทาบาปออย่าง น, น, านงนะ ศีลคือการไม่ทำบาปไม่ทำบาสบปสัพปะปัสสะาการนังนี่อันที่หนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าตรัสถึงเครื่องกั้นก็คือสติเราทั้งหลายก็ไปฝึกนะให้มีสตินะครับฝึกให้มีสติเยอะๆแล้วสติก็จะช่วยกั้นกั้นยังไงท่านก็จะรู้ได้ได้วยตัวเองนะไปฝึกให้มีสติก็แล้วกันต่อไปถอดถอน ปัญญาเยเตปิธีเรกระแสะทั้งหลายเหล่านั้นถอดถอนได้หรือว่าทำลายได้ด้วยปัญญาปัญญาคือการเห็นมันตามที่เป็นจริงเข้าใจมันเข้าใจธรรมชาติของมันเข้าใจความจริงของมันความจริงของโลกความจริงของสิ่งทั้งปวงคือมันไม่ได้มีตัวตนจริงมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา การเข้าใจความจริงของมันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาปัญญานี่แหละจะถอดถอนจะทําลายมันได้ทําลายกระแสะได้ถ้าปัญญานี้ยังไม่เกิดยังไม่มีปัญญานนี้ก็แน่นอนว่าก็ต้องมีกิเลสโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยฉะนั้นการมีกิเลสโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยนี้เป็นเรื่องปกติคนมีกิเลสแต่กิเลสไม่โผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือปกติผิดปกติ บางคนบอกว่าโอ้ผมกิเลสเกิดเยอะจังก็ต้องถามตัวเองว่ากิเลสหมดไปบ้างหรือยังอรยิยมรรคเกิดขึ้นมาครั้งที่หนึ่งหรือยังถ้ายังไม่เกิดเราก็เป็นปุตุชนก็คือกิเลสมันก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทีเดียวฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นมาเยอะๆนี้จึงเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าเรายังเป็นปุตุชนอยู่แต่กิเลสไม่ค่อยเกิดอันนี้ผิดปกติหผิดปกตินะถ้าเราเป็นชายหนุ่มอยู่ ไม่มีกามาราคะเลยไม่ชอบสาวๆเลยอย่างนี้ผิดปกติหรือถูกปกติทาทางจะผิดปกตินะถ้าเป็นชายหนุ่มอยู่ยังไม่แต่งงานก็ต้องสนใจสาวๆสนใจคนนั้นบ้างคนนี้บ้างนี่คือเรื่องปกติส่วนจะมีหรือไม่มีเราก็ไปทบทวนหรือว่าไปดูเหตุดูผลดูความเหมาะสมจะเลี้ยงเขาไหวไหมหรือว่าจะให้เขาเลี้ยงอะไรก็ว่ากันไปเองแล้วก็ดูความเหมาะสมเอาเอง แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงความปกติไม่ปกตินะส่วนปกติในกิเลสชนิดนี้เราจะทําตามมันหรือไม่ตามมันก็ต้องดูความเหมาะสมของเราเองอีกทีหนึ่งบริหารมันให้พอเป็นไปได้ทุกนี้มันต้องบริหารมันทั้งนั้นแหละไม่ใช่เอาไว้เกลียดมันนะทุกนี้เป็นภาระเราเอาไว้รู้มันให้แจ่มแจ้งทุกขาระยาสัตว์นี้เป็นปริญญาธรรมธรรมะที่ต้องรู้ให้มันแจ่มแจ้งทุกนี้มันเป็นภาระหนักต้องบริหารมัน ขณะบริหารมันเพื่อจะให้ได้รับประโยชน์จากมันก็เรียนรู้มันไปให้เข้าใจมันจนกระทั่งแจ่มแจ้งยังเป็นปุตุชนอยู่ก็ต้องมีกิเลสเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะี่ฉะนั้นพวกที่เป็นปุตุชนมีความอยากได้น่นอยากได้นี่ทำเป็นไม่อยากอันนี้เริ่มผิดปกติแล้วนะ ฉะนั้นพวกที่เป็นผุุ้ชนยังไม่รู้ความจริงเขาก็ต้องอยากได้นู่นได้นี่เป็นธรรมดาการอยากได้นั่นได้นี่จึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของความอยากไปมองดูไปสังเกตดูว่ามันอยากแล้วทําให้เราเป็นทุกข์ยังไงบ้างได้มาแล้วทําให้เราหยุดอยากได้ไหมเราก็จะได้เห็นธรรมชาติของมันนะอยากอยู่เรื่อยพาเราไปทําอยู่เรื่อยได้มาอยู่เรื่อยแล้วก็อยากอยู่เรื่อยเหมือนกัน เราก็จะได้เห็นมันอู้อยากไม่พอสักทีเลยเนี่ยเราก็จะได้อันที่มันอยากแรงๆที่มันทําให้เป็นทุกข์มากๆก็ได้ละไปก่อนอันที่ยังไม่เป็นทุกข์อยากมาแล้วได้มีความสุขก็เอาไว้หน่อยเอาไว้หน่อยนี่อย่างเนี้เนี่ยแต่ที่จริงมันไม่น่าเอาไว้ทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าสติปัญญามันต่างกันถ้าไปละทั้งหมดเลยมันก็อาจจะใจขาดตายไปสัก่อนอะไรช็อกไปก่อนเลยนะฉะนั้นก็ ต้องแล้วแต่กําลังของสติปัญญาฉะนั้ญญนการละกิเลสนี้อยู่ที่ปัญญานะการถอนกิเลสนะครับส่วนการมีสตินี้เป็นเพียงปิดกั้นเท่านั้นเองปิดกั้นกระแสถามว่าปิดกั้นกระแสมีกระแสไหมมีต้องมีกระแสที่จึงต้องปิดกั้นกระแสมีกิเลสใช่ไหมจึงต้องปิดกั้นกิเลสจึงต้องรู้กิเลสถ้าไม่มีกิเลสก็ต้องถอนมันขึ้นมาเลยด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะถอนกิเลสได้ไหม ไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องปิดกั้นมันไปเรื่อยๆสังวรมันไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยก็ต้องเป็นลําดับเป็นลําดับไปนะครับนี่เห็นไหมปิดกั้นกระแสก็หมายถึงว่ามีกระแสนั่นแหละจึงปิดกัน้นมีกิเลสนั่นแหละจึงต้องมารู้ทันกิเลสมีอันตรายนั่นแหละจึงต้องมารู้จักอันตรายต้องมาปิดกั้นมันอย่าไปหลงทำตามมันอ่าแต่ถ้าจะถอนออกไปเลยนี่ต้องมีปัญญามันคนละชั้นกันโดยส่วนใหญ่เราจะ กระโดดข้ามขั้นเพราะว่าโอยอยากได้สุขมากเลยนะกระโดดไปเอาสุขเลยนิ่งอยู่อย่างนั้นหรือว่าได้ความสุขมาแล้วก็ปลอดภัยแล้วเขาว่าอย่างนี้นะไม่มองเห็นอันตรายเลยไม่ได้กั้นกระแสเลยไม่ได้เห็นกระแสไม่ได้เห็นอะไรเลยอย่างนี้มันผิดขั้นตอนไปเมื่อผิดขั้นตอนมันก็ไม่ได้ผลจริงนะครับมันไม่ใช่วิถีทางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ฉนันจาไว้นะขั้นแรกต้องสังวรก่อนต้องมีสติเป็นเครื่องกั้นกระแส กั้นกระแสก็หมายถึงว่ามีกระแสนั่นแหละกั้นกิเลสก็หมายถึงว่ามีกิเลสนั่นแหละจึงต้องมากั้นกิเลสต้องรู้จักกิเลสที่มีศีลที่ต้องรักษาศีลสัมรวมในศีลเอาไว้เพราะอะไรเพราะมีกิเลสเพราะมีโลภมีกโกรธมีหลงมีไม่พอใจคนนี้อยู่นั่นแหละแต่สังวรเอาไว้หลับอย่าไปด่าเขาถ้าไม่กโกรธคนอื่นจะต้องสังวรไหม ไม่สังวร อ, อะไรไม่ต้องสังวร อ, อะไรเราเปนนั่งห้องพระไม่มีใครทำอะไรเราอยู่แล้วอย่างนี้ต้องสังวรไหมไม่ต้องเป็นนอนหลับสบายกว่าเห็นหเราต้องเข้าใจประเด็นของการฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะขั้นตอนหนึ่งนะกับการฝึกฝนให้มีปัญญาอีกขั้นตอนหนึ่งการฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะฝึกให้เกิดความรู้ตัวไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจ ัานตอนนี้ก็จะทําให้เกิดการสังวรสำรวมระวังรู้เท่าทันจิตใจของตนเองกิเลสเกิดขึ้นที่จิตที่ใจก็รู้เท่าทันมันเห็นมันเห็นอันตรายก็ไม่ทําตามมันละเว้นจากการกระทําที่ผิดพลาดทางกายที่จะทําให้เกิดอันตรายกับคนอื่นละเว้นการพูดทางวาจาที่ไม่ดีเรียกว่ามีศีลศีล ส, สังวร น, นะครับ ฝึกฝนมีสติมากขึ้นไปอีกก็จะรู้เท่าทันเวลาเรารับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วใจกระโดดไปตะคุบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไปชอบชอบความสุขจะรู้สึกว่าความสุขมันอยู่นานอันนี้ก็เราขาดสติไปเกลียดความทุกข์ผลักความทุกข์ก็จะรู้สึกว่าความทุกข์มันอยู่นานไม่ชอบความเครียดความเคียดก็จะรู้สึกอยู่นานเพราะว่าเราไปผลักใสมันฉะนั้นอะไรที่อยู่นานอยู่นานเนี่ยแสดงว่ามันหลงไป มันขาดสติไปนะครับนี่เราฝึกฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้สภาวะแล้วให้รู้ความชอบความไม่ชอบความยินดีความไปหมกติดอยู่กับความชังความไม่ชอบมันความไปผลักไสมันเมื่อรู้ทันความชอบความไม่ชอบอันนี้ใจก็จะเกิดสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นมาได้ศีลสังวรได้อินทรีย์สังวรในขั้นตอนนี้ก็ เป็นการฝึกให้เกิดศีลเกิดสมาธิสองขั้นนะต่อไปเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็อย่าไปทำอย่างอื่นมีสมาธิมีความสุขความสบายแล้วก็ให้ดูกายดูใจลงไปให้ดูลงไปที่กายที่ใจนี้ก็จะเห็นความจริงของกายของใจก็จะเกิดปัญญาไปตามลำดับปัญญานั่นแหละจะเป็นตัวถอดถอนนะครับนี่นะเป็นบาลีข้อ 1042พสี่สองพระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตตมานกเขาถามสองประเด็นพระองค์ก็ตอบสองประเด็นก็คือเรื่องของสติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกกระแสในโลกมันไหลไปอ า, อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ท่านทั้งหลายนะอย่าหลงลืมกายอย่าหลงลืมใจอยู่ในกายในใจตัวเองเอาไว้รู้กายรู้ใจตัวเองเอาไว้ส่วนภายนอกจะเป็นยังไงก็ ปกติมันรู้อยู่แล้วนะรู้เยอะอยู่แล้วฉะนั้นให้แบ่งมารู้กายรู้ใจบ้างให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้ามีเวลาก็ฝึกเอาหน่อยนะถ้ามาใช้ชีวิตเลยบางทีก็หายไปเลยทั้งวันอย่างงี้นะฉะนั้นก็ต้องมีเวลาก่อนไปทํางานตอนเช้าก็ฝึกสักหน่อยก่อนนอนก็ฝึกสักหน่อยหรือว่ามีเวลาว่างๆก็ฝึกหน่อยตั้งใจฝึกเดินให้รู้ตัวไป หรือว่านั่งให้มีความรู้ตัวฝึกให้มีสตินะทีนี้ในชีวิตประจาวันเราก็ต้องฝึกอีกเหมือนกันให้รู้เท่าที่รู้ได้แต่บางทีในชีวิตประจำวันนั้นความเคยชินในความหลงมันเยอะนะก็ต้องคอยสังเกตเราเตือนตนเองเอานะครับใครทําให้ไม่ได้นะอันนี้นะไม่ต้องไปรอเชื่องช้าว่าคนอื่นจะช่วยการคิดว่าคนอื่นจะช่วยนั้นเป็นเรื่องเชื่องช้าอึดอ่ด การคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ก็เชื่องช้าอืดอัดท่านเรียกว่าปับปัญจธรรมนะพวกเชิงช้าอืดอัดฉะนั้นเรารู้ว่าโอ้นี่ต้องช่วยตัวเองทำเอาเองทั้งนั้นนี่ก็รีบทำเอาเลยนะครับหรือบางพวกโอ้เราบุญบา ร, รมีไม่ถึงหรอกอันนี้ก็พวกเชื่องช้าอืดอัดเหมือนกันพวกเชิงช้าอืดอัดนี้ก็จะมีแนวคิดอะไรประหลาดประาดไปทั่วแหละ โอ้เราไปสะสมเสเบียงก่อนเราไม่ค่อยมีเสเบียงทางๆ ท, ที่สเบียงที่บ้านเขาเยอะกว่าห้องเตะอยู่แล้วนะเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วยังบอกว่าตัวเองไม่ค่อยมีสเบียงอยู่สเบียงกันเต็มบ้านอยู่แล้วนะเขาก็โอ้ยยังไม่ค่อยมีเสเบียงต้องสะสมสเบียงต้องอะไรก็ไม่รู้บำเพ็ญโน่นบำเพ็ญ น, นี่อะไรของเขาพวกนี้เขาเรียกพวกมีมานะคือการดูถูกตนเองมาณะเนี่ยยกย่องตนเองก็มีดูถูกตนเองก็มี นะครับโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายเวลาพูดถึงธรรมะก็จะมีมานะเหมือนกันแต่มานะแบบดูถูกตนเองธรรมะเป็นเรื่องสูงส่งส่วนเราเป็นสิ่งจิปบจ้อยเข้าไม่ถึงอะไรพวกนี้อันนี้เป็นธรรมะเชื่องช้าท่านเรียกว่า ป, ปัันจัด ร, รมตันหามานะทิฏฐินะะนั้นถ้ารู้แล้วว่าสิ่งไหนเป็นเครื่องกั้นกระแสได้ก็ให้ฝึกไปเลยไม่ต้องมามีเครื่องกั้นหรือว่าไม่ต้องมามีเครื่องเชื่องช้าอะไรอีก นะครับเมื่อฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วรู้จักจิตใจของตนเองเกิดศีลเกิดสมาธิแล้วก็ตามดูกายดูใจให้เห็นความจริงของกายของใจสตินั้นไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจรู้ว่ากายเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่มันเป็นกายมันหายใจเข้ามันหายใจออกมันเดินไปเดินมานั่งนอนยืนเดินอะไรเงี้เรียกว่ามีสติ ใจเป็นอย่างนี้ใจสบายไม่สบายโลภโกรธหลงพอใจไม่พอใจนี่เรียกว่ามีสติส่วนปัญญาคือการรู้ความจริงของกายของใจเห็นหมอันหนึ่งรู้กายรู้ใจอีกอันหนึ่งรู้ความจริงของกายของใจรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายคือมันไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่ากายเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของาธาตุทั้งสี่ เป็นสิ่งอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, นรนัตตานี่ความจริงของกายความจริงของใจจิตใจอาการของใจต่างๆมันก็ไม่ใช่ตัวเราอาการของใจต่างๆเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามการกระทบผัสสะเกิดเป็นเหมือนแขกเป็นของแปลกปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ได้มีตัวตนจริงไม่ได้อยู่ถาวรอะไร นี่ความจริงของอาการทางใจต่างๆที่เกิดขึ้นและตัวใจเองที่เป็นผู้ดูก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นตัววิญญาณเป็นจิตเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเหมือนกันบางครั้งมันดูบางครั้งไม่ได้ดูบางครั้งเป็นผู้ดูบางครั้งเป็นผู้นึกผู้คิดไปเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแ ป, ปรปวนเหมือนๆกันหมดเห็นไหมสติเนี่ยรู้กายรู้ใจ ส่วนปัญญารู้ความจริงของกายของใจในคนละตอนกันนะครับการรู้ความจริงของกายของใจภาษาบาลีท่านเรียกว่ายะถาภูตยาทัทสนะอย่างนี้นะเอาเราพักสักครู่นะครับ